แถวนี้ผีดุตำนานอาถรรพ์สามเมืองต้องคำสาบตำนานคำสาบเมืองลำปางจากแรงอธิษฐานของนางสุชาดาตำนานเมืองต้องคำสาบอันเกิดจากแรงสาบแช่งมีมาอย่างช้านา น, านหลายเมืองด้วยกันหากคำสาบแช่งมีอนุภาพก็จะทำให้เมืองนั้นเป็นไปตามคำสาบแช่งเช่นไม่เจริญรุ่งเรือง บางตำนานก็สาบแช่งจนถึงชั่วลูกชั่วหลานก็มีบางตำนานผู้สาบได้สาบแช่งไว้แล้วแต่ก็บอกวิธีการถอนคำสาบแช่งไว้ด้วยว่าต้องทำอย่างไรบ้างส่วนที่มาที่ไปของตำนานเมืองต้องคำสาบย่อมมีสาเหตุเกิดจากการกระทำของอีกฝ่ายที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่เป็นธรรมเช่นการสั่งประหารผู้บริสุทธิ์หรือการถูกหักหลังทำให้ฝ่ายที่ถูกกระทำรู้สึกเจ็บแค้นจึงได้สาบแช่งฝ่ายผู้กระทำให้พินาศล่มจม โดยเฉพาะตำนานเมืองต้องคำสาปที่มาเกิดจากความไม่เป็นธรรมของเจ้าเมืองหรือผู้มีอำนาจในเมืองนั้นๆจึงทําให้ผู้ถูกกระทําที่มีอำนาจน้อยกว่าต้องสาปแช่งเมืองให้พินาศไปตามกันเรื่องราวคำสาป พ, พันปีจากแรงอธิษฐานอันแรงกล้าของนางสุชาดาผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไม่รู้จบเพราะมีหลักฐานอ้างอิงในทางประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องราวที่มีเค้าโครงของความจริง โดยเรื่องราวนั้นมีที่มาจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือพระแก้วดอนเต้าซึ่งในปัจจุบันประดิษฐานที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงตําบลลำปางหลวงอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตํานานคําสาปของนางสุชาดานั้นมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระมหาเถระเจ้าต้องการไม้แก่นจันเพื่อนามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแต่ก็ไม่สามารถหาได้พญานาคได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวจึงเกิดความศรัทธา ใช่อิทธิฤิเสกแก้วมรกตไว้ในผลแตงโมที่อยู่ในสวนหลังบ้านของนางสุชาดาหญิงสาวผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานางชอบเข้าวัดทำบุญด้วยการนําแตงโมไปถวายพระสงฆ์อยู่เป็นประจำต่อมานางได้ผ่าแตงโมผลหนึ่งที่เก็บจากสวนก็ปรากฏพบแก้วมรกตหรือหินหยกภายในผลแตงโมด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนานางจึงนําหินหยกไปถวายแก่พระมหาเถระเจ้าท่านจึงปรารถนาแกะหินหยกก้อนนี้ให้เป็นพระพุทธรูป แต่แกะเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จพระอินผู้เป็นประมุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงทราบเรื่องจึงจําแลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขันอาสาขอแกะสลักหินหยกให้เป็นองค์พระทางพระมหาเถรราจเจ้าก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดพระอินทในร่างมนุษย์จึงใช้อิทธิฤทธิเนรมิตให้หินหยกกลายเป็นพระพุทธรูปอันสวยงามอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาเรื่องนี้ทราบถึงเจ้าผู้ปกครองเมืองลำปางในสมัยนั้นพระองค์ทรงเกลียวมากที่นานสุชาดา นำหินยกไปถวายแด่พระสงฆ์แทนที่จะนำมาถวายตนที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองจึงได้หาทา ง, กงแกล้งนางสุชาดาว่านางสุชาดาได้เสพทุนกับพระมหาเถระด้วยเหตุอันร้ายแรงเช่นนี้ทำให้นางสุชาดาต้องโทษประหารชีวิตรวมถึงพระมหาเถระเจ้าที่ถูกผู้ครองนคร ล, ลำปางสั่งประหารด้วยเช่นกันก่อนที่นางสุชาดาจะถูกประหารนางได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากนางบริสุทธิ์ก็ขอให้เลือดจะตกลงบนพื้นดิน แต่ขอให้เลือดพุ่งขึ้นสู่อากาศคำอธิษฐานของนางสุชาดาเป็นไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและเพื่อต้องการให้พระมหาเถระเจ้าพ้นจากความผิดขณะเดียวกันนางสุชาดาก็ได้สาบแช่งให้กรรมตามทันเจ้าเมืองลำปางในสมัยนั้นและให้ลูกหลานที่สืบเชื้อสายอย่าได้มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าลูกหลานหรือผู้สืบเชื้อสายของเมืองลำปางมีความเชื่อว่านางไม่มีความผิดและไม่ปรารถนาคำสาบนี้ให้นําลูกขนุนลูกแรกที่ปลูกได้ไปถวายพระสงฆ์ แล้อุทิศบุญจากการถวายขนุนให้กับนางพร้อมขออโหสิ ก, กรรมไม่เช่นนั้นคำสาบก็จะเกิดผลขณะที่นางสุชาดาถูกประหารชีวิตด้วยดาบเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อเลือดของนางไม่หยดลงที่พื้นแต่กลับพุ่งขึ้นสู่อากาศตามคำอธิษฐานและทําให้พระมหาเถระเจ้าพ้นจากความผิดด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้ร่ําลือกันอย่างมากในหมู่ราษฎรจนเจ้าครองนครลำปางเกิดความกลัวต่อคำสาบของนางสุชาดาทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยกระอักพระโลหิต สวรรคตอย่างรวดเร็วจะมีความเชื่อว่าเป็นไปตามคำสาบของนางสุชาดาที่ให้กรรมตามทันเจ้าเมืองนั่นเองสำหรับสถานที่ที่ใช้ประหารชีวิตนางสุชาดาคือวังย่าเท่าอยู่บริเวณดื่มฝั่งแม่น้ำวังหลวงปูเ่เกษมเขมมโกพระอริยะสง์แห่งล้านนาเป็นอีกหนึ่งท่านที่สืบเชื้อสายมาจากสกุลนลำปางหรือเจ้าผู้ครองนครลำปางในอดีตท่านตระหนักถึงเรื่องนี้จึงได้ให้ลูกหลานของตระกูลนลำปาง ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้กับนางสุชาดาโดยการบอกบุญเพื่อทําการสร้างศาลเจ้าแม่สุชาดาที่ดื่มฝั่งแม่น้ําวังแห่งนี้และให้สร้างสะพานเสตวารีข้ามแม่น้ําวังและอุทิศกุศลผ ล, ลบุญทั้งหมดให้กับนางสุชาดาเป็นการขออโหสิ ก, กรรมพร้อมกับถอนคํำสาบของนางสุชาดาที่มีต่อตระกูลณลำปางแม้ว่าในปัจจุบันคําสาบของนางสุชาดาจะถูกถอดถอนออกไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเรื่องเล่าอันน่าสะพรึงทุกครั้งที่ได้ยิน พลังแห่งคํำสาปนั้นมีผลมากพระนางสุชาดาเป็นผู้ที่ชอบทําบุญให้ทานและเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยนําแก้วมรกตทั้งเป็นวัสดุที่ใชใ้สร้างพระแก้วดอนเต้าอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงมีผู้เคารพศรัทธานางสุชาดาอยู่มากเช่นกันจึงขนานนามว่าเจ้าแม่สุชาดาทําให้ทุกวันนี้มีผู้เคารพศรัทธานําดอกไม้พวงมาลัยมากราบไหว้ที่ศาลเจ้าแม่สุชาดาอยู่เสมอตำนานเชียงงาม ชายรูปงามกับคํำสาบแช่งเมืองหนองหานด้วยหน้าตาและรูปร่างที่งามสง่าของบุรุษผู้หนึ่งทําให้สาวน้อยสาวใหญ่ลหลงไหลใฝ่ปองแม้สตรีที่มีย่ามีเรือนแล้วก็หลงสเสน่ยยื้อแย่งกันความชุนมุร ว, วุ่นวายจนสุดท้ายหนุ่มผู้นี้จึงต้องรับโทษประหารชีวิตอย่างผู้บริสุทธิ์เป็นที่มาของตำนานเชียงงามหนุ่มรูปหล่อในสมัยโบราณที่สาบแช่งเมืองหนองหานจังหวัดอุดรธานีให้พบแต่ความไม่เจริญ สมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วขณะที่อํานาจของรัฐขอมได้เข้ามาปกครองดินแดนหนองหานหลวงและหนองหานน้อยซึ่งในปัจจุบันก็คืออําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นได้มีกลุ่มลาวอพยพเข้ามาเพื่ออาศัยในหมู่บ้านดงแพงภายในเขตการปกครองของเมืองหนองหานเมืองดงแพงในปัจจุบันคือหมู่บ้านเชียงงามนั่นเองในหมู่บ้านดงแพงมีครอบครัวนหนึ่งมีลูกชายที่หน้าตาน่ารักมากครั้นถึงวัยที่ต้องบวชเนน ครอบครัวนี้จึงให้ลูกชายได้บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนในวัดชานเมืองสามเณร น, น้อยก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากมีรูปที่งามพร้อมทําให้หญิงสาวต่างเข้ามาทำบุญที่วัดชานเมืองเป็นจํานวนมากเพื่อให้ได้เห็นสามเณรรูปงามหญิงสาวหลายรายต่างยื้อแย่งกันเพื่อเอาอกเอาใจปณิบัติรับใช้ต่างๆในเวลาต่อมาเมื่อสามเณรถึงอายุที่ต้องบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วแต่บิดาก็ให้ลาศิกขาออกมา ภาษาชาวบ้านเรียกพระสงฆ์ที่ลาสิกขาว่าเชียงและเหตุเพราะสามเณรมีรูปงามจึงเรียกกันว่าเชียงงามสาวน้อยสาวใหญ่รวมไปถึงแม่เมืองหนองหานในขณะนั้นเมื่อรู้ว่าสามเณรลาสิกขาแล้วต่างก็พากันมาเยี่ยมเยียนทั้งหาข้าวปลาอาหารมาให้ผู้หญิงหลายคนต่างทะเลาะแย่งชิงเชียงงามกันจนเป็นเรื่องเป็นราวหลายคนก็มาปฏิบัติพัดวีเชียงงามจนลืมครอบครัวของตนเองทําให้สามีของหญิงสาวเหล่านั้นต่างก็ไปฟ้องต่อเจ้าเมืองหนองหาน ว่าเชียงงามมาแย่งภรรยาของตนทําให้ครอบครัวของพวกตนต้องเดือดร้อนเจ้าเมืองหนองหานจึงเรียกเชียงงามมาสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริงหรือไม่แม้เชียงงามจะยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้แย่งลูกเมียของใครตนเองบริสุทธิ์เพราะผู้หญิงที่มาปฏิบัติพัดวีต่างก็นํำข้าวของมาให้เองตนไม่เคยเรียกร้องแต่เจ้าเมืองหนองหานก็ไม่ได้ฟังที่เชียงงามอธิบายจึงตัดสินประหารชีวิตเชียงงามโดยให้เพชฌฆาตมาตัดหัวเพื่อเสพประจานเพราะเป็นเหตุให้คนในหมู่บ้านต้องเดือดร้อน ขณะที่เชียงงามกําลังจะถูกประหารด้วยวิธีการตัดคอเขาได้กล่าวคําสาบแช่งกับเจ้าเมืองหนองหานและเมืองหนองหานให้ไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะเขาต้องมาตายอย่างผู้บริสุทธิ์หากแม้นเมืองหนองหานจะเจริญก็ขอให้เจริญเพียงชั่วครู่ชั่วยามรากับงูแลบลิ้นเท่านั้นอีกหนึ่งตำนานของเชียงงามที่สาบแช่งเมืองหนองหานมีอยู่ว่ามีชายผู้หนึ่งชื่อว่าเท้าเชียงงามเป็นคนบ้านเชียงครั้นโตเป็นหนุ่มแล้วเขามีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาเป็นอย่างมาก รงหนึ่เชียงงามอยากมาเที่ยวในเมืองหนองหานแต่พอมาถึงปรากฏว่าประตรูเมืองหนองหานปิดเนื่องจากมีข้าศึกมาล้อมเท้าเชียงงามจึงไม่ได้เข้าไปในเมืองเขาจึงมาอาศัยอยู่กับตา ย, ยายที่นอกเมืองหนองหานในเวลาต่อมามีการเล่าต่อๆกันในเมืองหนองหานว่ามีชายรูปงามผู้หนึ่งมาอาศัยอยู่นอกเมืองหนองหานทําให้หญิงสาวทั้งที่มีสามีแล้วและยังโสดได้ออกมาดูชายงามกันและเห็นว่าเชียงงามนั้นมีหน้าตาที่หล่อเหลาจริงๆ ต่างติดอกติดใจไม่กลับบ้านช่องทําให้พระยาขอมซึ่งเป็นเจ้าเมืองในขณะนั้นสั่งให้ทหารนําตัวเชียงงามมาประหารโดยการตัดหัวเสียประจานไว้โนนหัวเชียงด้วยเหตุนี้ทําให้เท้าเชียงงามได้สาบแช่งเอาไว้ไม่ให้เมืองหนองหานเจริญรุ่งเรืองอีกเพราะตัวเขาไม่ได้มีความผิดแต่ต้องมาตายด้วยความบริสุทธิ์ในยุคหลังที่มีการก่อตั้งหนองหานเป็นอําเภอจนถึงในสมัยของประหลัดบุญช่วยศรีสารคามท่านทราบตํานานเก่าแก่ของคำสาบเชียงงาม จึงได้ทำพิธีถอนคำสาป พ, พร้อมๆไปกับการปั้นหุ่นของเท้าเชียงงามไว้ข้างศาลเจ้าปู่หอคําในปัจจุบันได้มีศาลเจ้าชายเชียงงามเพื่อให้ผู้คนได้เคารพสักการะโดยมีรูปปั้นและภาพวาดของเท้าเชียงงามปรากฏในศาลนั้นด้วยอันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงตำนานความเป็นมาที่น่าประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเพราะแค่เกิดมาหล่อก็ทําให้เขาต้องตายอย่างง่ายได้ ตำนานคำสาบเท้าสีโคตรบองคำสาปแช่งมีตั้งแต่สมัยโบราณเมืองชื่อดังต่างๆก็เคยมีตำนานเกี่ยวกับคำสาปแช่งมาแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวที่มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับคำสาปเท้าสีโคตรบองชายหนุ่มผู้แก่กล้านในวิชาอาคมที่ช่วยเมืองเวียงจันทร์ให้พ้นจากไหยนะของช้างป่านนับล้านตัวแต่สุดท้ายก็ต้องมาตายอย่างน่าอนาถเพราะความไม่ไว้ใจของเจ้าเมืองเวียงจันทร์ในสมัยนั้นที่เกรงกลัวว่า ตัวเขาจะแย่งชิงอำนาจในสมัยหนึ่งเมืองเวียงจันทร์ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายผู้คนลำบากทำมาหากินไม่ได้เนื่องจากมีช้างป่าจํานวนมากนับล้านตัวเข้ามาทําลายเทือกสวนไร่นาบ้านเรือนจนเกิดความเสียหายจเจมเหมือนนครเวียงจันทร์ในขณาดนั้นเห็นความเดือดร้อนของราษฎรแล้วจึงอยู่นิ่งไม่ได้พระองค์ทรงประกาศหาคนฝีมือดีมาปราบช้างป่าโดยมีข้อแม้ว่าหากผู้ใดปราบช้างได้อย่างราบคาบพระองค์จะทรงพระราชทานพระธิดาให้ ขนาดเดียวกันได้มีบุรุษผู้แก่กล้าในวิชาอาคมโดยเฉพาะวิชาการปราบช้างนั่นคือเท้าสีโคด ต, ตัวเขาเองมีอาวุธเป็นพระตะบองเพชร ท, ที่สามารถกำรับช้างป่าได้ร่ําลือกันว่าเขาผู้นี้มีฤทธิ์แก่กล้าคงกระพันชาตรีฆ่าไม่ตายเป็นที่โจทย์ขานกันถึงอนุภาพในวิชาอาคมเท้าสีโคตะบองมีเชื้อสายเป็นชาวกวุยกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองในลาวที่เก่งกาจ ด, ด้านการปราบช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบเชื้อสายมาจากดินแดนสีโคดบุญจึงถูกเรียกว่าเท้าสีโคดและมีตะบองเพชรเป็นอาวุธจึงมีฉายาว่าเท้าสีโคตตะบองนั่นเองเมื่อการประกาศของผู้ครองนครเวียงจันทร์ในขนาดนั้นรู้ถึงหูของเท้าสีโคดเขาจึงเสนอตัวเป็นผู้ปราบช้างป่าโดยการลากท่อนซุงขนาดใหญ่มาทําเป็นตะบองและใช้กำรับช้างป่าที่มีจํานวนมหาศาลนับล้านล้านตัวได้สําเร็จด้วยเหตุนี้จึงทําให้นครเวียงจันทร์ได้รับการขนานนามว่า นาณาจักล้านช้างนั่นเองเพระมีช้างมากกว่าล้านตัวเข้ามาบุกรุกแต่ก็ถูกปราบโดยเท้าสีโคตหลังจากนั้นจเจมืองเวงจันจึงได้ยกพระธิดาให้กับท้าสีโคตตามที่ประกาศไว้ขนาดเดียวกันก็ได้สร้างปราสาทให้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับเท้าสีโคตเพื่อเป็นรางวัลที่เขาสามารถปราบช้างได้สําเร็จทําให้เมืองเวงจันกลับมาสงบสุขอีกครั้งด้วยความสามารถของเท้าสีโคตคําร่ ำ, รำลือเกี่ยวกับอํานาจจิตและอิทธิฤทธิ์อันแก่กล้าของเขา จึงทำให้เจ้าเมืองเวียงจันหวัดระแวงไม่ไว้ใจเพราะเกรงว่าเท้าสีโคตจะแย่งชิงบัลลังก์ของตนจึงใช้อุบายให้พระธิดาไปถามเท้าสีโคตว่าเหตุใดเท้าสีโคตจะเป็นคนเก่งฆ่าไม่ตายวันหนึ่งพระธิดาจึงได้สอบถามเท้าสีโคตว่าทําไมเขาถึงฆ่าไม่ตายหรือไม่มีผู้ใดทําร้ายเขาได้ด้วยความที่เท้าสีโคตไว้ใจคนรักจึงเล่าว่าสมัยที่ตนบวชเรียนตนมีอํานาจสามารถกํำราบช้างได้เพราะได้เคยหุงข้าวถวายแก่หลวงตา โดยการนําเอาไม้ดิบมาคนหม้อข้าวทําให้ข้าวกลายเป็นสีดําหลวงตาจึงไม่พอใจสั่งให้เขากินข้าวหม้อ น, นั้นคนเดียวแต่ใครจะไปคิดว่าข้าวดำหม้อ น, นั้นทําให้เขากลับกลายเป็นคนหนังเหนียวคงกระพันมีพละงกาลังมหาศาลใครจะฆ่าฟันก็ทําไม่ได้พระธิดาจึงถามต่อไปว่าและมีทางไหนบ้างที่จะทําให้เขาตายได้ด้วยความรักที่มีต่อคนรักและไม่คิดว่านานจะฆ่าเขาได้ท้าสรีโคจึงบอกไปว่า ต้องเข้าทางรูทวานถึงจะตายพระธิดาจึงนําความลับนี้ไปบอกแก่เจ้าเมืองเวงจันรผู้เป็นบิดาของตนเมื่อเจ้าเมืองทรงทราบแล้วจึงใช้อุบายเชิญเท้าสีโคตมาทานอาหารที่ท้องพระโรงโดยได้นำหอกไปไว้ในโถส้วมพอเท้าสีโคตเสวยอาหารเสร็จแล้วจึงได้เข้าห้องน้ําเพื่อปลดทุกข์แต่ทันใดนั้นเองหอกก็ได้ทิ่มลงไปในทวานหนักขนาดนั้นเขารู้ตัวเองทันทีว่าคงจะเสียรู้พระธิดาแล้วทั้งเจ็บและแค้น เขาจึงใช้ริดหอกเหินเดินอากาศมายังเมืองสีโคตรพระตะบองและสาบแช่งเมืองเวงจันท์ให้ไม่เจริญหากเจริญก็ขอให้เป็นเพียงชั่วขณะเท่ากับงูแลบลิ้นแต่ถ้าจะพ้นคำสาบก็ต่อเมื่อมีหินฟูน้ํางูใหญ่และช้างเผือกจากนั้นเท้าสีโคตตะบองก็ได้เสียชีวิตลงส่วนคำสาปปริศนาที่เท้าสีโคตตะบองได้สาบไว้นั้นมีผู้แปลความได้ว่าหินฟูน้ําน่าจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดหนองคาย คำว่าช้างเผือกน่าจะแปลได้ว่าเป็นชาวตะวันตกที่เข้ามาลงทุนในประเทศลาวและคำว่างูใหญ่แปลได้ว่าเป็นรถไฟจากหนองคายจนถึงนครเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าต่างๆที่เข้ามาสู่นครเวียงจันทร์ได้ทําให้เวียงจันทร์เป็นเมืองที่พัฒนาขึ้นได้เรื่อยจนเรียกว่าปริศนาคํำสาบหินฟูน้ําช้างเผือกงูใหญ่ได้ถูกคลี่ค ล, คลายและเป็นจริงแล้วจึงเชื่อว่าเมืองเวียงจันทร์ได้พ้นจากคํำสาบของเท้าสีโคตะบองแล้วนั่นเอง คุณเชื่อหรือเปล่าว่าคำสาปแช่งนั้นมีจริงถ้าคุณมีเรื่องเล่าเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับอยากรู้เรื่องไหนอยากทราบตำนานอะไรผมจะนาไปหาข้อมูลและจัดทําให้ทุกคนได้ฟังกันครับขอบคุณครับหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ